การแก้ตัวเห่าเนตีบชตมะแก้ให้่าเนตเทวดาบานเนตมะแก้เห่เาเนตพระพุทธเจ้าเองก็บรมาแก้เห่เาแก้บอดามีแต่ว่าให้ฟัง่งซิๆดังนั้นพุทธศาสนานั้งจรงว่ารู้แลว้วที่จะงวนไว้ไว้คนอื่นรู้กับบอดารู้แลว้วทําลายสักาะตัวตายซะกับบไดาบดาท่เนี่มันเป็นไปตามหน้าที่ของมันจริงจริงว่าทุกคนก็ต้องมีอันนี้ แต่ว่าคนนั้นจะรู้หรือบุรุษนนั้นเองถ้าคนใดบุรุเก็เอื้นปุถุชนถ้าคนใดรู้เขาก็เอื้นสันปัญญาสมเนี่เป็นวาังไงนเอียกว่าหันท่าหากยมรู้เขาก็เอิ้นพระเลียบุคคลถ้าหากเป็นพระทรงรู้เก็เอื้นพระอนิยมสมเนี่ยเป็นวายังไงถ้าคนบุรูษเขก็เอิ้นปุถุชนถ้าพระทรงบุรุษเขาก็เอิ้นปุถุชนเป็นัน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 กินย่างสงูนั่งย่างสงูนอนย่างสูงแย่ทํางานย่างต่ําเท่าไหร่ถ้าหากเป็นญาติเป็นโยมกระตา่างมันยู่ย่ยางต่ํากินย่างต่านั่งนอนย่างต่าแย่ทํางานอย่างสูงพ่อเขาเ็ดเ้ายเทหนาการชื่อการขายทการทนงานเขาทำเองแย่เขาโบาฟอยวางความคิดเขาพยายามดูความคิดของเขา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 ปานนั่นแหละมันแสดงออกมาเป็นปฏิกิริยาออกมาอันนี้แหละคือวิญยาณเกิดขึ้นหยาญเชนว่าเช่นเอ้หยาญใหญ่ตาวเมยนเยี่ยมมหันหยาชาวเมีนมันเลื่อยแห่มันโม้จักกับคอนตีหัวปุ๊าใจมึงตีหัวจักอันมึงคิดอยู่เนี่ยเป็นจีวารเป็นสุขเ้จักอันตัวของคิดทาที่บอกคิดครั้งที่สอน่โอ้มันคิดแล้วเด้เนี่ยสมมติ้จักโ อ, โอ้มันคิดเด้เนี่ย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 เอาแต่บุญอยู่เรื่อยผู้หน่งนะผู้นึงเกิดมาแล้วสิบ่เอาบุญทําได้บาปอยู่เรื่อยผู้หนึ่งบัดนี้มอจีตายแล้วบัดนี้ผู้ทำบุญเขาต้องมีเงินแล้วบัดนี้ทำได้บุญได้แต่บุญเอาแค่อย่างเขาเอาแต่บุญทํานั้นแต่ทานแต่บุญเท่านั้นผู้เหต inside, ุบาปน honest, ี้ก็ได้เขาเก็บมาสั้นข่าหัวข่าค่วยข่าเ็ษข่าไก่ให้ว่าหาจึงเก็บไปอย่างสั้นหนึ่งไม่ได้ทำบุญมเทียบัดนีตายแล้วิดยานแย่ไปจบนอนหลับยันบาป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 เอออันผู้มีบุญเนี่ยกระลุกขึ้นบ่ได้มันหนักผูมีบาปเนี่ยกรมันหนักเมื่อกว่เคยเบาอย่างตอด้โลมลุกขึ้นกลมลุกขึ้นกระลมเพราะมันบุกเคยเบาได้มันหนักหมดหนักใจอยู่กันมันหนเอาเขให้ตังไดจะสองแบ่งครึ่งกันเอาบาสเจ้าอันให้มาใจน้อยนึงก็เอาไว้ครึ่งหนึ่งเอาเงินเจ้านั้นให้ค่อครึ่งนึงอันบุญเจ้าให้มาใจน้อยนงก็อาให้ค่อยครึ่งหนึ่งต่งแบ่งครึ่งกันยูดนากันได้ไปนกันได้ ในบูรโอมผู้ทำบาปเข้าไปได้ผู้ทำบุเข้าไปได้คนนี้ผมคำนวณดวูอันนี้แหละผมคำนวณเลยเห็นจิตใจตัวเองโอ้โหเป็ น, น อ, อย่างสีนอเกิดมาจากพอแม่เคยใช้ทานเคยรักษาชีิตเคยทำมาผมก็เคยเป็นทั้งสักเชือกครับจึงผม บ, น บ, บ่นลงบูรโอมเชือกแม้ทิ่มันคิดตายก็ยังคิดที่บรูรโอมเชือกเนี่ย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 ผมขจิพยายามเอาละบ้านอยู่ทั้งแต่ น, นี้ต่อไปผมขจิพยายามแก้ไปเพื่อวันทีบัให้มันลายแรงผมก็บไเอาโอนตีนหรือเอาเครื่องบุ น, นอตัวอวชจีกรย์ท้ายคองหนึ่งที่อ่อนขบวไทยแต่ว่าไดนีเนทยมาดิ น, น, นมเพผมเอาน้ำตาลกับน้ตา ม, มาขึ้นเอาน้าตาลมาตรงใส่โอนทตัดรงมือแก็เป็นลม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 ผมก็เคยเต้นนะครับผมโอ้ยเป็นเป็ น, น ก, กีโนเกอรมาเนี่ยอย่างน้อยผมมาผมอยากตัด45นาทีแต่ติดเนี่ยผมสุกวันมันคิดะอะไรฮะคุณเจ่าโอ้ยโบได้อันเนยอะเลยกลับมาทวนพารมณ์เตะตนเนี่ยทวนไปทวนมาทวนไปทวนม า, นนมาเลยมันเป็นอารมณ์ย mm ึด hmm. ปัจจณาแบบนี้เทียนเป็นอันที่ว่าเป็นปัญญามันได้ไปเขา้าตัวปฐมศาสตร์ภูปินาศาตร ตาติเนตนาจะสุธาตาปัญจะมาตาปทุมมาตามีองค์ห้าเป็นวาาันมีวิตกมีวิจารมีปีสีมีสุเมเอกัตตาเป็นวางของตำลาว่าได้เนี่ยปทุมมาตาไปว่าเห็ไุไี่เหงจะมีเช่นตวัวเฮานี่แหละปทุไปเบื้องแรกครับผู้ตีไปลว่าครั้งที่ 2, สองตะตีไปลว่าครั้งที่ 3, สามเห็นกันจตัวไปว่าหลวมครับปัญจะไปว่าพร้อมด้วยขันห้า คือลูกกับพร้อมกันเวทนากับพร้อมกันสัญญากับพร้อมกันสั้งขันกับพร้อมกันวิ้งานกับพร้อมกันปุ๊บแป๊เดียวขาดพุทธออกจากกันสื่อเพราะฉนั้นสื้อนี่นะม่นไม่ของยากเลยครับง่ายที่สุดแต่ว่ายากที่สุดตัวัยากจะไหนยากข้อหาบโบจากเพชรนะง่ายที่สุดเลยก็ขันเพชรแล้วมันจสบายมันจะแลวๆนี่น่ะเป็นไงมันล้างมือแลยเนี่ยครับ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 แล้วคนมีกิเลสอยากไปเกิดเป็นเทวดาได้ดนีมเขาเห็นเมื่อคนมีกิเลสอ่ะเขาบุหัวจักว่าเขามีกิเลสอยากไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยผมก็ได้จกได้มีหลายคนเนี่ยใชครับอันนี้คนมีกิเลสมาสอนกันให้มีกิเลสได้มากินสลัดได้ยังไงก็คนโง่ซะงัมาสอนเนีคนโง่ไปกินสนว่าผู้ชายผู้เดียวมีเมีมเมตั้งห้าร้อยคนนะ่ยแล้วคนในบ้านในเมืองเขานี่ยกรุงเทพเนีมีเขาสองคนสามคนพลิดกันอยู่ทัมือ อันนี้คันมีเมียห้า้อยคนในี่อยู่ได้อยู่ได้กินเม่หยางโดยเฉพาะพี่หนูที่ไปหั่นนะที่หมานี่นะไม่เรียกว่านคนนั้นเขาไปบอกเลยนะของผู้ชายมีผัวเนี่ยเป็นผัวเนี่ยผู้หญิงที่ไปใส่ใจก็จไปบอกผู้ผัวจำนวนแล้วที่มีเวลาได้หลับได้นอนมันก็ตายไปแล้วก็เด็ดตกนรกทางเต็มนะอันนั้นเรื่องเหมือนนรกก็ครับผมต้อเข้าใจว่าเหมือนนรกเหมือนสวรรค์นะครัคนมีกีเลทมันทีอยากไปเกิดเหสวรรค์อยากได้มีอะไรนน้นเป็นอย่างไร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 ซอนคนทำผิดพูดผิดคิดผิดแค่เข่ากลับคืนมาให้มันถูกต้องว่าจะเป็นวายกนและซอนคนมีทุกข์แค่เข่าหมดเพื่อนวากันผิดบ่อขับมีลูกมีเมียซอนคนทุกบ่อขับมันทุกอันน่ะเป็นวาซ้อนเขาแย่เขาเป็นอย่งสั้นจะเป็นวายเมียบวซอดอย่างนี้แต่ขาสิซ้อนให้ไปเกิดบนสวสนรรค์ไปเกดเทวดาคนได้ไปอยู่ในนีน้นี่แหละ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 มันที่นีของจริงได้จังเลยท่านสัมมมันก็นบโจริงแล้วคนว่าตัว Celebr ตัวเองตัวผู้อื่นโอหกตัวเองโอหกผู้อื่นหมดลอกลวงหมดหน้าไหว้หลังลอกคนว่นาเนี่ยคนบอกมานคนหัวเลาะประจบเนี่เยคนว่าสัมม์ว่าหลายอย่างคนว่าหลักสูดรนักธรรมสติขึ้นบทแรกที่สุดทําที่มีปกำลามากสองอย่างหนึ่งสติคนระลึกได้หมด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 บ้ า, à, à, า, า, าจะยกมือไหว้พูงยาพู้หยิ่งยาโหยมันก็ยกอ้าวไ่ได้ยกมือไหว้ขับเจ้านะยกมือไหว้ว่าตัวเองมันมีดีขนาดนี้พี่นะผมเข้าใจอย่างซีนะแต่ก้อนผมผมเห็นผมดีอย่างซีนะผมเห็นคนุณดีคนงามของผมผมก็ยกมือไหว้ตัวเองของผ ม, ผมงพันว่าเพันว่ะยังตันซี่อๆนี่แหละพ่นวะภควาตโตไปว่าโชคดีพันวาโชคดีคคดแล้วเขายังมีชีวิตเขายังได้ไหว้ตัวเอง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 เพคนหักเขาเพคนสอนเขาเขาเกิดบุหุจักหาว่าเพคนวา้เขาจริ ง, ง เ, น, เ, น, ง น, เ น, งนี่นมญญนนยมาที่เพื่อนมันเป็นอะไความคิดจิตใจคนตั้าซาเลวสามมันคิดอย่างไรถ้าหาวคนมีสติปัญญาเพคนบอกคนสอนต้องเคารพนับถือเพ่นจังหวะผู้จกักบุญคุณพอ่อแม่ครูบาอาจารย์คนนี้ผู้จกักเคารพตนเอ ง, งอันนี้มันบุู้จักเลย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 นิสร้างตัวเองให้มันดีก็ดีครับคืออย่างพระเจ้าอสการ์ปตูนั่นแหละครับเป็นไหว้สั่งพ่อแม่ไหว้สั่งตกอยู่ในนรกเอาเองเดียวนี้นี่พระเจ้าอสก ต, ตร์ประตูตะบนวนตกอยู่นนรกคุณสร้างโบสถ์สร้างสิ่งสร้างวิหารสร้างกุตติให้ว่าพระเจ้าอสกา ร, ร์ปตูสร้างมดในประเทศอินเดียคุณบา้าอ น, นันยังครอบงำอยู่พอปานสิน่ง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 ทุกคนทุกหัวใจกันแล้วก็ลุกสิษกับพระลูกบาอาจารย์พระบาอาจารย์กลกศิอันนั้นแล้วคนว่าอยู่โดยสอบปฏิบัติสาพระรรได้ไหนแล้วความสุขกระโบบางที่หายไปสันมันก็มีไม้เหานี่และวคนทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาบูไดแล้วก็ขอทำถูกต้องนเลยที่ได้ให้คอกคิดเฉืี่ยเสลี่ยจิดสฉลี่ยใจนี่กับสุขคนเดียว ท้าที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมาน a r r ฟังธรร ม, มะทีนสถานที่นี้อาตมาขออ้างนามว่าท่างของของพระพุทนเจ้าและคุณขอพระลันตาสาวกพระศาสานาของจะมาเตือนจิตจิตใจพวกเราให้พวกเราได้รูแ้แจ้งเห็นจริงตามความจริงจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนโดอยทางสุดท้ายว่าทั้งหลาย เราผู้เป็นตถาคตจอกแล้วเท่นั้นแล้วจะ น, นํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงฟื้นปฏิบักษ์สามอย่างเราตถาคุณี้ก็จะรู้จะเห็นจกเป็นจะมียอย่างเราตถาคุณนี้เป็นแท้ๆอันเรื่องจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริษษสุทธิ์จิตใจเป็นปกติจิตใจคองใสจิตใจว่องไวสามารถตัดสิสดในได้เพราะมหานา เพราะญาณใหญ่ที่สุดเป็นปนัญญางานอันนั้นซึ่งว่าญาณของพระพุทธเจ้าเขาในที่เห็นเทละเล็กอน้อยกระดงเอื้อมว่าเห็นเทระเล็กอน้อยไปพอให้ทุกคนทุกคนจงได้ประสบพบเห็นเขาในชีวิตธีเลื่อเวลาอันใกล้ที่จงทุกทุกคนเออจารู